ทำกันมันเสริมประกอบของการศึกษาปฏิบัติซึ่กันเราพะกเรากำลังทำอยู่ตอหลายอย่างจะมาประกอบเพื่อเรียนลู้ในส่วนที่ผิดที่ถูกนอกจากนาทัวร์มันเองเชิญเพื่อนหลุง ก็ต้องเอือความรู้เป็นส่วนประกอบความหลงเป็นส่วนประกอบไม่เกิดความรู้เราได้ยินโดยฟังเป็ส่วนประกอบให้เราได้รู้ทิศรู้ทางได้เอาไปปฏิบัติการปฏิบัติคือการเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกทุกรูปแบบที่มันเกิดอยู่กับฝากับใจเราเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้ มันจะจงอกงามจึงสำเร็จได้ไมเมื่อเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกรูปลูปทุกแบบ ท, ที่มันเกิดจากการจากใจเราความผิดมันอาจจะหวดไปความถูกก็ ง, งอกงามขึ้นมาเป็นหลักธรรมชาติของ ความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่มีการปฏิบัติมีการการะทำให้เกิดขึ้นก็ไม่สำเร็จจักทีว่าจะเป็นเรื่องใดต้องเปนส่วนประกอบการทำอย่างปฏิบัติทำกหคือการตามรูปแบบกรรมฐาน มีการกระทําเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งเอาไว้เป็นเจ้าทินเจ้าว่านเจ้าเรือนเอาไว้เจ้าของส่วนเรามีกายมีใจเพียงรู้สึกตัวก็เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเอาไว้ถ้ามีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจ มันก็จะมีความเป็นธรรมและสัมผัติกับความเป็นธรรมเมื่อสัมผัติกับความดปธรรมก็จะต้อเรียนรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดกับกากับใจว่าตั้งไว้ถูกก็จะเลือกเรีนสัมปัติบทเรียนจากการสัมปัติการสัมปัตินี่ คือมีความรู้จึกตัวไปทีตั้งโดยสบัติของความรู้สึกตัวไปในกายโดยการวิชากรรมาฐานเคลื่อนไหวตามบอบพระของการฝึกนัตที่พระเจ้าถือหัดมาจนถึงเป็นรู้ที่เจ้าลกลายเป็นตั้งของความรู้สึกตัวทุกรูปทุกแบบ เรียกว่าบัพพาสำชัญญะบัพพาการเคลื่อนไหวจิตตะ บ, บัพพาการเคลื่อนไหวของจิตมาเป็นขุมรู้จึกตัวราลาบัพพาการเคลื่อนไหวของลมหายใจามาเป็นขุมรู้จึกตัวเราชีวิตเราที่ผ่านมาไม่ค่อยเอาจริงเหล่านี้มาสร้างขุมรู้จึกตัว มันก็ไมาค่อยจะได้ประโยชน์จากบัพเพิต่างๆเดินฟรีหายใจฟรีคิดฟรีพราเทียนที่มันเกิดขึ้นกับสายกับใจเราเข้าไหลมาแล้วหลงกีร่าษฎร์สงไขยหลงโกรกจีร่าษฎร์สงเเกรตโกรไม่เคยรู้สึกตัว มันก็อยู่เช่นนั้นอาจจะงอกงามขึ้นในความผิดตัวไม่ถูกต้องเกิดขึ้ น, นที่กายทีใจยิ่งเสืเ่อดเลยไม่ดีก็ยิ่งจะงามไวเป็นตัวเป็นตนเต็ไมไปหมดเลยอกว่าเคยปวดหัดถ้าเราปวดหัดก็ก็จะทำเรื่อง ผมรูส้สึกตัวเต็มไปหมดแทนที่ก็ไม่ถูกต้องผมไม่ถูกต้องก็อยู่ไม่ได้เองการสัมผัสเช่นนี้เลยว่าปฏิบัติธรรมเอาไปต่อเอาแล้วมีการกระทำลงไปจริงๆสัมผัสจริงๆในเช้าเดียวกันตรงกอนข้าม เวลหลงก็ไม่หลงตรงกันข้ามเวลาทุกข์ก็ไม่ทุกข์ตรงกันข้ามให้ความรู้จักตัวไม่ใช่ไปอดไปทนเรื่องเงื่อไขกับมารู้จักตัวที่ตั้งไว้ที่กายเป็นบัพเพก็จะชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้ น, เ, นเพราะกตนสอนตนแจ้ไขตนมีจิติ หลายๆอย่างเป็นรูปเป็นแบบเป็นสิ่งแวดลอ้อมแมอกระทั่งได้ยินได้ฟังจากพู้รู้ผู้ค่อยึกโ ด, ดยสารทียย่ใหญ่พสูตรที่เป็นความถูกต้องที่สุดพระสูตรที่เราได้ขยายออกมาจากพู้วิของพระเจ้าไม่ ผู้อาจารย์ที่ร้อยกองมาให้เราสาธยายเป็นสูตรเหมาะสมในการใช้เป็นจิตกรรมธรมธรมะเช่าธรรมะเย็นมลนก็สะดวกร้อยหยาไม่ใช่ล้มบาดเราไม่ได้ไปคิดเถอไม่มีความรู้ไม่คนสร้างให้แล้วเป็นเขียนที่พูดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องคิดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ได้ทุกหลุดเด็กตนสอนตอนผู้เชีได้ประกอบด้วยเมตตาลองดูออกหน้ามีเมตตาออกหน้าผู้เชียใดไม่เมตตาออกหน้าทำเชี่ยวใดมีเมตตาออกหน้าเพราะมีสติมันก็เกิดเชิงเหานี้ได้ถ้าไม่มีสติรู้จึกตัวก็มีแต่ โดยสูหมห์ความหลงอกหน้าออกตา่อเห็นลูกพอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงไม่พอใจพอใจยินที่ยินลายพอทานนั้นซะเขาก็เดินทางมาพิตดตลอดคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์ได้ คิดเฉยๆก็เป็นสุขได้คิดเฉยๆก็เป็นจิตตัญหาได้เ่ราะไม่เคยฝึกให้มันคิดส้ำซอนสูเปนิจิตจิตซ้สำสอนคิดได้ทุกลูปทุกแบบไม่ดูจักรละเทศะไม่ดูจักอายความคิดเป็นชีวิตที่น่าดาน ไอ่อยแต่คนอื่นไปอ่อยตัวเองที่มันเกิดความชั่วในกายในี้ใจนี่ถ้าไปอ่อยคนอื่นดําดีไม่สําเร็จลายชั่วไม่สําเร็จก็มีสติมันจะละออยเพราะว่าสตีมันตั้งไม่แล้วเจ้าของแล้วเป็นธรรมที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้ว มันลูกแบบไหนมันก็ละอยเมื่อมันอ่อยมันก็ทํองไม่ลงคิดไม่ลงเปืเป้อนโดยเฉพาะความคิดนี่เป็นกลมตัวใหญ่เป็นหมายเลขหนึ่งถ้าเป็นจำเลยก็หมายเลขหนึ่งเราไม่ค่อยใส่ใจเพราะมันมีสติไม่เห็นไอคุมจะกลายว่าจะแต่ทโทษ พอออกแต่กายแต่วาจาไม่ปรับโทษเรื่องใจรากฐานนีกจริงที่ออกมาทางกายธรรมาจามาจากใจคือมันชิดทวานของใจคือมันชิดนี่มาค่อยมีใครรู้จักทำไมฝึกตนสอนตนไม่เรียนรู้เรื่องกรรมฐานตามทางพระเจ้าได้เกิดอุบัติขึ้นในโลกคือกรรมฐาน เ, เรียนรู้ติดเรื่องอื่นติดชินก็ปรับกันทางกายทุกเป็นโทษติดพุกติดตลางก็ปรับกันทั้งกายทั้งวาจใเอากกายเป็นโทษหนักก็วาจใเป็นโทษหนักจริงออกมาจากใจยเหมือนกับเป็นชัว่วเหมือนกับใบไม้เป็นชั่วก็ที่ไหนก็ปิดใบไม้ออก ถ้าทิ้งซะชั่วเกิดมืดมาหลายครั้งกันแต่บใบไม้ปิดใบไม้หรือควบคุมแต่ใบไม้ที่จริงมันมีรากเป็นมีต้นอยู่หรอมันจึงเกิดใบขึ้นมาเรื่อยๆความชั่วความดีถ้าไม่ฝึกจิตใจไม่มีสติเห็นจิตมีสติเท่านั้นที่เห็นจิตที่มันคิดคนอื่นไม่เห็นเราเห็น ที่วิชากรรมันนจึงได้เป็นวิชาที่เปิดเผยเหมือนกับงอยของที่วุ่มเปิดของที่ปิดอกบอกทิดทางแห่งคนหลงทางตองแสงสว่างในที่มืดป ต, ตีไปอย่างนี้ไม่มีตรงไหนปิดบางอาับางในกายในใจเรานี่ได้เห็นทุกรูป ท, ทุกแบบ เม่เห็นก็ทิ้งไม่ได้ถ้าในสตินะมันทิ้งไม่ได้ถ้าเห็นผิดปล่อยทิ้งความผิดไในในใจไม่ได้ถ้าเห็นความถูกก็จะทิ้งไว้เฉยๆ่ต้องประกอบขึ้นมาให้สมัแล้วก็เหมือนกับเก็บเอาความถูกต้องทิ้งความผิดออกไปทุกรูปทุกแบบถ้าฝึกกรรมาฐาน ทิ่งอะไรที่เห็นอะไรไประสบการณ์เรื่องที่ดีไม่ดี <S <S <ess im itation> ดเกิดกับวางใจมากมายเปิดความขยันเหมือนเพียรม้รสชาติแห่งพระธรรมขึ้นมาจะมาลูยจักหลับจะนอนละ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยากวั่ใช่ลำบากมันประตือรือล้อนเป็นกอบเป็นกมขึ้นมา ทำอะไรก็ต้องสำเร็จเย็มที่เมื่อความไม่ดีมันสำเร็จลงไปทำได้ทิ้งลงไปแล้วความดีเกิดไปแทนผู้ปฏิบัติก็ต้องเห็นเองลูกเองเป็นปัจจิตตังของผู้ปฏิบัติความเทศความจริงไม่ต้องมีคำถามเกิดขึ้นดีกาที่ใจเรานี่ ไม่มีทีไายตัวใครตัวมันต้องทำเองทำมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไฟดีแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติทั้งทำด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการควนน้อมตัวเราก็าไปโดยเฉพาะเราเป็นนักปวดเนี่ยมีโอกาสเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นในเชพนี่โดยตรงน้อมเข้ามาหาเรา อ้อมเราเข้าไปท้องผ่านทุกโอกาสจรงเรียนร่ำก็ช่วยเราหลายอย่างใ้ตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มีสร้างขึ้นมาได้ในตัวเราเนี่กายจังวัจะาั้งใจจังใจก็คิดเป็นพุฐานนิสติคิดถึงพระพุทธเจ้าทํามานิสติคิดถึงธรรม ดึงฐานดึงสิ้ถึงแม้กระทั่งความเกิดเเป็นโฉดที่ท้องเราอยู่คลัไม่ได้แต่ความหลงก็เป็นโฉดตัวหนึ่งความโอดความโลภความดตนาก็เป็นโฉดถูกความทุกข์ยงเราแล้วความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วถูกวงล้อมอยู่ เหมือนกับคนอยู่ในกลางาไฟไฟไม่ล้อมันทนํ่ไยเคยดับไฟดับไปคนเดียวโมเจลลบกไปข้านาข้างหลังมันเกิดขึ้นมาอีกย้ำมืองไงแล้วก็จะยอมอยู่เช่นนั้นไม่ได้ยอมเจ็บปวดนิดหน่อย ก็กระโดดไปทางที่มันไฟไม่มาไฟที่มันไม่ไปข้างหน้ายังมีป่าจะกระโดดไปทางนั้นก็ม อ, องเห็นทิศทางว่าไฟที่มันใหม่มาแล้วมันมีแต่เราอยู่ข้างหน้าไฟรโดดไปข้างหลังไปเจ็บปวดนิดหน่อยขนตาลวกไปแต่มันก็ ไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์ยอมทุกข์สวนทางมาลงดูออกไปทางนั่นปฏิบัติต้องสวนทางต้องเป็นก็ทลาไกลโรดได้ไกลกว่าเวลาอื่นเวลามีหนาเวลามันทุกข์เกิดขึ้นก็โดดได้ไกลกว่านี ชีวิ์ผู้ปฏิบัติกล้าทั้งสนุกสนานคนแก่นกล้าคนมีศรัทธาท้งแก่นกล้าในความเพียนต้องแก่นกล้าตลาได้กลายเชื่อมัน่นเวลาเราปฏิบัติไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมองอะไรลิบลี่เอง วิเลตเหมือนหมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งวินเหมือ น, มนแมลงตัวหนึ่งสติเหมือนนอกอินทรีวิเลตเหมือนหมาสติเหมือนช้างงองแบบยิ่งยอยเพป่นมีสตินะมีกรรมฐานเป็นปที่ตั้งไม่ได้ปล่อยใจ ง, ง่วงเหงาห อ, อ น, อน เข้มแข็งตัวนั้นขึ้นมาตรงไหนจุดต่นมนเข้มแข็งนันนงงนปฏิบัติจริงๆนะไปันาจริงๆนะ่มันถึงบางอ่อ oh, อืมอมันเข้มแข็งอื้อแต่ว่าอนะื้อในมันเข้มแ ง, งนะมันมีอำนาจเราจึงรุกรุกโศนตนสร้างสิวโล่ดำเนินไป ประกอบด้วยเรามันหลงประกอบความไม่หลงแนเท่าเดียวกันเลามันทุกประกอบความไม่ทุกเว่วลามันเกิดอะไรขึ้นมาประกอบความรู้จึกตัวรู้จึกตัวไปเพาว่าที่รู้สึกตัวนี่มันเทุกอย่างในสิ่งที่มันผิดเกิดจากกายจักใจเราเนี่ยเรียนรู้ไปมันจึจะเป็นทำเป็นทำให้เรียนรู้ไม่ปฏิบัติทำไม่เป็น เวลามันหลงกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเรียนรู้แบบนี้เหมือนกับพูดเราบอกว่าเรียนจากผู้รู้ตัวรู้ตัวรู้ไว้ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมันอยู่ในตัวเราเนี่เรียนจากภาวะที่รู้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยประกอบมันขึ้นมามันมีจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยรู้ฉันเข้าเหยียดฉันออก ก็เป็นชิงเป็นน้อมที่อยูใใ่ใกล้ๆตัวเราเหมือนนกสาริกาสองตัวตกอยู่ในลมพัดไปเป็นตกอยู่ในฤาษีฤาษีเลี้ยงไว้ฤาษีก็แผ่พรสวดมนต์แผ่เมตตาสาเปชิตาโนกก็ได้ยินเมื่อนกสาริกาได้ยินก็ พูดออกมาเมตตากราุณาช่วยเหลือว่าตามฤาษีไปก็เลยว่าเป็นแสดงฤาษีเอามาญาต์ไปแบบฤาษีก็มันอยู่ใกล้คิดจริงเป็นร่ำก็แสดงออกแล้อยู่เฉยๆนิ่งๆมันก็ไม่มีอะไรพูดไม่เป็นให้เหมือนกระนุก คนหนึ่งไปตกอยู่กับหมูโจรโจรมันก็บอกว่าฆ่ามันตีมันกูเหยียบมันกูแทงมันกูยิงมันกูตีมันเถียงกันแบ่งปันชับย์นกน้อยได้ยินก็แย้งออกเวลามันโจรมันพูดถึงฆ่ามันกูเหยียบมันก็แทงถึงกูฟ้ฆ่าตีลงไปยิงไปแทงไปนกสลิกาน้อยจนก็หัดได้ยินแล้วก็มาหัดตัวเอง ลอยเป็นตุ้ยลอยไปเห็นคนมาพักมันก็เป็นโจรไปได้แต่ตัวนกสัตว์นอยู่กับลฤๅษีนี่ผู้ดมงามิแต่เมตตาคุณนะนี่สิ่งวรรล์มันสอนตัวเราถ้าเราเรียนรู้จักความไม่ดี ว, กดกดว่ามันโกรธก็โกรธแสดงความเป็นโจรถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์แสดงความเป็นโจร ในตัวเรานี่เขบแบบนั่นก็เป็นแบบนั่นอาบันโก้ขึ้นมาก็หลดรู้จักตัวซะตัวของโกท้ทำมหเกดิดความหมอนน้อมเปตากรุณากันได้น่าสงสารคนที่มาด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงด่าเรามองข้างหลังกขนนมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นคนที่น่าจะให้ออกไปเป็นคนที่ควรช่วยเหลือไม่ถือสาหาเรื่องคนแบบนี้ก็คิดเมตตาในตัวนั่นทันธีแทนที่จะโกรธเขาคิดจะช่วยเขาอุ้ลปเจ้าช่วยองค์คริมานองค์คริมานถือดาบไล่ฟันอยู่โยชุดปุจจาว์เยไม่ได้โกรธเลย ชือ่อโอ้กระติมนเขาใจผิดเลยเสรแล้วเขาเคยทำบาปทกรรมแม้ใครทาไหมจะม่ไล่เราเขาใจผิดไปก็ตอบตาเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่ได้หยุดเธอไม่ได้หยุดหยุดเลยมันวิ่งอยู่หยุดเลมันวิ่งอยูยอย่เราหยุดทำบาปทำกรรมทาชั่วแล้วเธอยังถือดาบไล่ฟันเราอยู่เธอยังไม่หยุด นี่คิดจะช่วยเหลือแล้วมันใช่ปะไปโกดเขาไปสอนขนาดนั้นตรงที่หม็ได้ยินคือว่าโอ้ยอันนี้จึงได้ยินคำพูดอย่างนี้หนูได้ยินตั้งวิ่งวิ่งไม่ออกเลยทิ้งดาบลงแล้วหคิดว่าได้ยินแต่ว่า ที่ทรของเจ้าโททนาออกขวดแ้วจัดจะรู้ว่ า, าจเป็นรูปนี่หรืมั้งสานากรูปนี้หรืมั้งทิศไปกันร้องงงร้องไมเสียใจเป็นคนดีขึ้นมาเอาฝึกตนสอนตนมันเปลี่ยนได้ก็ล้ ม, ม, มกันการฝึกตนสอนตนตนี่นะไปโยชจากความไม่ดีเป็นความดี ได้ประโยชน์จากความผิดเป็นความถูกอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่สําราเนี่ยอยู่ในนี่คุเจ้าศึกษาเรื่องนี้ไม่มีครัวจานไหนหรืออยู่ในตัวเรานี่ถ้ามีสติเดอวเราจึงมาเป็นเพื่อนกันในเรื่องนี้มีอะไรก็ถ่ายถามกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันถ้าทำอย่างนี้ไม่ผิดแน่นอน มีอเกิดขึ้นว่าอาจจะเป็นบทเรียนที่ได้จากตัวเองมากที่สุดบทเรียนจากคนอื่นนั้นประกอบไปด้วยบทเรียนที่เกิดจากตัวเรานี่เราสอนตัวเราดีกว่าคนอื่นสอนเป็นอย่างนี้ปฏิบัติต า, ามเอาผสมขวัญใจเวลาเราพระพมกัน